ท่าังคะท่านกลังฟังรายการสันสนิสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะคะเจนสันสนินฐานาพงดําเนินรายการค่ะเรามาสู่ช่วงเวลาของการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีด้วยกันค่ะน้อมสักการะท่านคะอาจารย์พรค่ ะ, าคะมาอีกแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ก็มีคําถามเมื่อวานนี้ยังตอบคําถามของคุณ ภูสนิสามักคเนมีไม่จบนะคะมีอีกคำถามหนึ่งน่าสนใจมากบอกว่าบางครั้งได้รู้จักคนบางคนที่ป่วยทางจิตใจอยากช่วยเหลือเขาด้วยการให้เขาศึกษาธรรมแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่รับอะไรใดๆทั้งสิ้นเมื่อเจอเช่นนี้ควรเดินหน้าต่อหรือควรหยุดที่จะยุ่งเกี่ยวกับบุคคลประเภทนี้ดีคะ่ะ พระพรุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างนี้ว่าอันนี้กรณีของคนป่วยทางจิตใช่ไหมป่วยทางจิตค่ะป่วยทางจิตแต่ถ้าคนป่วยทางจิตเนี่ยเขารับฟังได้เราก็บอกสอนเขาไปตามตามสมควรแต่ที่รับถ้ารับฟังไม่ได้เนี่ยคือทางกายทางวาจาเราอาจจะช่วยไม่ได้เพราะว่าข้อจำกัดเรื่องของของบุคคล น, นั้นใช่ไหมอีกฝ่ายนึ่งแต่ยังน้อยทางจิตเราช่วยได้แน่นอนเราสามารถจเจริญเมตตาให้เขาได้ เราสามารถส่งความรักความเมตตาให้เขาได้อยู่ตลอดเวลาอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเลยพระสงฆ์หน้าที่ของพระสงฆ์นะหนึ่งมีเมตตากรยกรรมสองเมตตาวจีกรรมสาเมตตาบโนกรรมกับใครกับทุกคนนี่หน้าที่ของพระสงฆนะ์สามอย่างค่ะงั้นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยถึงแม้เจ้าตัวเขาไม่พร้อมที่จะรับแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาควรกับการที่จะได้รับความเมตตาจากเรา เราก็สามารถเจริญเมตตาให้เขาได้คือ <ะ S 2> หลังจากที่จิตเป็นสมาธิแล้วหรือยังไงคะเอเมตตามโนกรรมในกรณีนี้คือเพราะว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยเราอย่างคุณตัวเรานะเราเองเขาป่วยเราอยากให้เขาฟัางธรรมะเราเชิญ ไ, ไปเป่วยเอาหนังสือไปให้แต่เขามีอาการป่วยทางจิตฟังไม่ได้เพราะว่าเรามีเมตตาทางจิตใช่ไหมเราถึงทํากระทํา ท, ทางกายการกระทำทางวาจาพูดดีๆกับเขาอะไรต่างๆค่ะทีนี้ทําไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลใช่ไหม อย่างน้อยเราก็ยังมีเมตตาจิตซึ่งเราทําได้อยู่ตลอดอืมคือไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมก็ได้แค่จิตคิดมีเมตตากับเขาเนี่ยเขาก็ได้แล้วใช่ไหมคะได้แล้วเขาก็ได้แล้ ว, ลวทีนี้ในกรณีที่ดิฉันถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าเอะเราจะต้องมีสมาธิหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเวลาเรามีคนป่วยที่อยู่ในจุดวิกฤตใช่ไหมคะเจ้าของไข้บางทีคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันก็ อ, อาจจะติดต่อไปอยังพระคุณเจ้าที่ศรัทธานับถือ แล้วถ้าอาจารย์ก็เมตตาบอกว่าอ่เดี๋ยวจะเนี่ยสวดมนต์ให้อะไรให้อย่างเงี้ยได้รับไหมคะท่านคะสวดมนต์ให้นี่ก็อยู่ที่ว่าจิตของท่านนั้นเป็นสมาธิไหมใช่ไหมเมื่อจะตเป็นสมาธิให้เป็นสมาธิแล้วเนี่ยคือการสวดมนต์อาจจะเป็นเหตุทําให้จิตเป็นสมาธิได้พระพุทธเจ้าตรัสไวเพราะฉะนั้นก็พอได้บ้างได้ได้มีโอกาสได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเครื่องส่งเป็นอย่างไรเป็นเครื่องส่งที่เปิด S <S เคเรื่องเครื่องรื่อรับเนี่ยจะรับได้ไหมนั่นแหะสิคะเพราะบางทีคนรับอเงี้ยอยู่ในจุดวิกฤตนะคะท่านค่ ะ, คะ อ, อ๋อมันถ้าเป็นกรณีของทานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะว่าเป็นถ้าเป็นกรณีของทานเนี่ยบอกว่าอาหารเนี่ยเทวดาก็มีอาหารของเทวดาเปรตก็มีอาหารของเปรตสัตวเดรัจฉานก็มีอาหารของเดรัจฉานถ้าเธอถวายอาหารและแก่เป็นทักษิณาทานแก่ประสงค์แล้วเนี่ยบุกคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้รับอาหารหรอก แต่จะมีเปรตอยู่ประเภทเดียวที่สามารถรับอาหารได้นะที่เราอุทิศทำอุทิศถวายให้แต่ในกรณีของเมตตาเนี่ยคือถ้าเราแผ่เมตตาออกไปเนี่ยแน่นอนเลยเราได้รับอ น, นิสงส์ส่วนเนะี่ยอ่าตัวเราก็ได้เราก็ได้แน่คนแผ่ก็ได้แผ่ได้แน่นอนที่เป็นกุศลคนรับก็ได้แต่ถ้าเป็นทานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคัณภาพของบุคคล น, นั้นค่ะอ่าและก็สรุปว่า คำถามของคุณภูสนิสาคำถามนี้ก็คือไม่ควรหยุดควรจะเดินหน้าด้วยการเมตตาถูกไหมคะ<อ>เพราะว่าหยุดไปมันก็เหมือนรายน้ำใจ<อ>และเราก็มีจิตใจที่ดีเขาอยู่แล้วอันนี้ป่วยทางจิตแต่ถ้าเป็นโรคป่วยทางปิดล่ะคะคือไม่เปิดทางให้เราช่วยเหลือมีนะคะท่านอาจารย์คนบางคนเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าแหมเราจะตั้งท่าอย่างดีแล้ว อ, อันนี้มีวิธีพ ร, ระุจาตวัสเาบอกว่า ถ้ามีใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยทําผิดนะทาผิดแล้วเนี่ยความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเรานะพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้นะถ้ามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยนายคนนี้ทําผิดไม่ดีเลยเกิดความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราให้พิจารณาอย่างนี้ว่าความขัดเคืองในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางสิ่งเหล่านี้เสียแต่ถ้าบอกเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะออกจากความผิดนั้นได้เนี่ยให้บอกซะ อันนี้ท่านหมายความว่าคนทางน้นเขาเขาทำผิดใช่ไหมคะเขาทําทำผิดเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเออทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามธรรมนะอ๋อค่ ะ, ะหมายความเดียวกับคำถามของดิฉันไหมคือดิฉันบอกว่าป่วยทางปิดหมายความว่าเขาปิดทางไม่ให้เราเนี่ยเสนอในสิ่งที่สมมติว่าเรามีความรู้สึกว่าธรร ม, มของพุทธเจ้าดีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้มีอุปการะคือเป็นคนที่เรารักใครใ่ใยดี ใช่ใชนะคะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นญาติที่ดีเป็นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ฟังเราอ่าแต่เหมือนกับเขาบอกออปฏิเสธไปสมบูรเลยยังไม่ทันให้เราได้แสดงความปรารถนาดีตเต็มที่หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องที่เล่าเมื่อสักครู่เนี้ยก็คือพระรุจ่าพูดถึงสี่สเตปสี่ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยคือคนที่พอบอกได้ก็บอกความขัดเคืองเราเนี่ยเอายัเป็นเรื่องเล็กน้อยเอาทิ้งไปซะแต่ถ้ากรณีที่สองถ้าบอกแล้วเขาจะเกิดความขัดเคืองเนี่ย แต่เขาพอไปที่จะเป็นคนบอกสอนได้นะแต่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเกิดความขัดเคืองเนี่ยให้คิดว่าความขัดเคืองในจิตของเราก็เป็นเรื่องเล็กน้อยความประเคืองในจิตของเขาก็เป<ข>็นเรื่องเล็กน้อยแต่การที่เขาจะ<บ> อ, <ก>ออกจากความผิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญกว่าให้บอกอนะนี้เคสที่สอง เ, <K> เคสที่สาม <K> นะคือถ้าเผ <K> ื่อว่าคนนี้เป็นคนที่มีทิฐิมากเลยไม่ยอมฟังใครเนี่อหรอไหมค่ะถ้าบอกแล้วเนี่ยจะยิ่งขัดเคืองหนักก็มริซาก็บอกว่า ไอ้ความขัดเคืองในสีทของเขาเนี่ยคือเหมือนกับกรณีที่สองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยความขัดเคืองในสีทของเราก็เล็กน้อยให้บอกไปซะไม่เป็นไรพยามหากุณสโลบายบอกนะนี่คือจะเข้าเคสของคุณจันทนิงค่ะว่าถ้าคนนี้เป็นคนบอกยากสอนยากแต่ถ้าข้อที่สี่คือคนนี้เป็นคนบอกยากสอนยากมากๆขณะที่ว่าถ้าบอกไปเขาก็จะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนค่ะพระเจ้าบอกว่าให้วางอุเบกษาอืม คือถ้าเคสที่สากรณีที่สาเนี่ยคือเขาเป็นคนบอกอยากแต่ถ้ามีกุศโลบายในการบอกค่อยๆบอกบอกสอนไปเขาควรจะเปลี่ยนได้เนี่ยให้ขวนขวายทําให้ทําให้บอกเพราะว่าเห็นแก่ความที่จิตของเขาจะหมดจากอากุศลค่กะก็เท่ากับว่าพระพุทธองค์บอกในกรณีเหล่านี้เนี่ยขอให้จัดการตามตลําดับว่าลําดับต้นๆก็คือว่าเราอย่าไปขัดเครืองนะขัดเครืองในจิตของเราไม่ดีแน่นอนนะค ะ, ะต้องวางจิตของเราให้ดีๆแต่ ทั้งสหัวข้อแม้กระทั่งมาเจอคนที่ทิฐิหนักบอกยากแล้วท่านก็ยังบอกว่าให้พยายามบอกต่อไปไถูกไหมคะแต่กรณีสุดท้ายเนี่ยพวกที่ปิดประตูคือทางปิดหมดเลยปิดหมดเรา <จะ S 1> ต้อง <ไป S 1> วางอ<ป>ุเบกขาถ้าไ ม, <laughs> ไม่ไม่เปลี่ยนก็ต้องอุเบกขาค่ะวันที่ความปรารถนาดีเราก็คิดว่าแหมเราทําดีเราก็อยากจะให้เขารับแต่พอไม่รับเราก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจ เริ่มต้นด้วยกุศลที่จิตเราแต่มันมาลงที่แอบกุศลที่จิตเราความขัดคืนในจิตของเราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้วางสิ่งนี้เสียอเพราะนั้นถ้าเราบอกเขาแล้วเขาไม่เปลี่ยนน่ะอย่าไปจี้อย่าไปโกรธเรื่องเล็กน้อยมากเรื่องเล็กน้อยมากอืก็จะได้ทราบวิธีกัรนี่ฉันเชื่อว่าคนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยคงจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่บางทีอาจจะไม่ใช่การเป็นความพยายามที่จะไปบอกในเรื่องของธรรม เป็นเรื่องดีๆอย่างอื่นๆนี่ก็เหมือนกันนะคะคนบางคนเนี่ยพูดยากจริงๆส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่ค่อนข้างรักใคร่ใยดีกันใกล้ตัวเพราะเหมือนเป็นกันเองอนะคะ<น>แต่ถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไม่อยากรู้เขาไม่อยากรับเขาอย่างไม่มีปฏิกิริยาที่ทําให้เรามีความรู้สึกท้อแท้<น>และก็หดหู<น>่อพอมาพูดถึงความหดหู่ท่านอาจารย์คะ<น>มีอ่า ผู้ฟังรายการส่งไปให้ท่านอาจารย์ทางนน้นอีกเหมือนกันชื่อคุณสุจิราอยากทราบว่าถ้ามีความหดหู่เกิดขึ้นจะมีวิธีแก้อย่างไร อ, อ, อันนี้ส่งไปที่ เ, ออเพียวธรรมะ c o มใช่ไหมคะเพียวธรรมะคอม106ครับ106ค่ะก็ถ้ามีจิตหดหู่เกิดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าออคนที่มีจิตหดหู่เนี่ย ให้เจริญอธรรมวิทยาสัมโพชฌงให้เจริญวิริยาสัมโพชฌงหรือว่าให้เจริญปิติสัมโพชฌงค์ทำสามอย่างแต่ว่าไม่ใช่การไม่ใช่เวลาที่จะมาเจริญปัสสติสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงหรืออุเบกขาสัมโพชฌงค์อ๋ออันนี้หมายความว่าคําถามเนี่ยหดหูอย่างไรก็ได้กแก้<า>ด้วยการปฏิบัติธรรมถูกต้องถูกต้องใช่ไหมค ะ, ะทีนี้ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆ น, นะคะ แม้กระทั่งดิฉันเองก็ยังอยากทราบรายละเอียดนะคะว่าการปฏิบัติธรรมที่ว่าแก้ความหดหู่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของสัำโพธชงเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะที่จะแก้พระรูจ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างนี้ว่าอิต ท, ที่หดหู่เนี่ยยากที่จะแก้ได้ด้วยการเจริญปัสสติด้วยการเจริญสมาธิหรือด้วยการเจริญอุเบกขาเพราะว่าอะไรพระรูจ้าเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยถ้าต้องการจะก่อไฟ ทำกองไฟดวงน้อยๆให้ยุบโครงขึ้นเนี่ยแต่เขากลับใส่หญ้าสดขี้วัวสดไม้สดพ่นน้าใส่เข้าไปโรยฝุ่นใส่เข้าไปเนี่ยเขากองไฟดวงเล็กๆ เ, เนี่ยจะไม่ใหญ่ขึ้นมาได้ค <Okay. S 1> แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาเจริญธรรมวิจยตสัมโพชงคืออะไรก่อนธรรมวิจยตสัมโพชงก็คือการวิจัยธรรมะเอาธรรมะมาใคร้ครวนนะวิทยาสัมโพชงคือการปรารบความเพียรปิติสัมโพชงคือพอผู้ที่เจริญ วิทยาสัมโพชงแล้วจะเกิดปีติขึ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่จิตใจโหดโห่เนี่ย จ, จิตของเขาเนี่ยจะทำให้ตั้งขึ้นง่ายด้วยทำเหล่านั้นค <Okay. S 1> เปรตเสมือนถ้าต้องการไฟกองดวงใหญ่ไฟใหญ่ๆหใช่ไหมก็ใส่หญ้าแห้งไม้แห้งเอาปากเปล่าอย่างนี้ไฟก็จะลุกพลงขึ้นมาได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็พระพุทธเจ้าอีกนัยยะหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอจิตขดโหอยู่เนี่ยมี มีสติอยู่มีกายยาขตาสติอยู่แล้วปรากฏว่าจิตหดหูให้น้อมจิตไประลึกถึงนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้วิธีที่สองนะ <Okay. S 1> วิธีแรกคือเราพูดถึงโพชฌงสามประการการที่เราจะเจริญโพชฌงสามประการคือธรรมวิทยาสัมโพชฌงได้ริยาสัมโพชฌงได้ปิติสัมโพชฌ ง, ง, งได้เนี่ยเธอต้องมีสติก่อน <Okay. S 1> รู้ว่าอะไรรู้ว่าจิตหดหูเมื่อจิตหถหู รู้เฉยๆนะใจอย่าตาม <Okay. S 1> รู้กับตามไปนี่ไม่เหมือนกันนะ mm hmm. พอรู้ว่าจิตเรามีความหดหู่อย่าตามพอรู้เช่นนี้ทำอย่างไรให้เจริญโพชฌงทั้งสามอย่างที่กล่าวมาแล้วหรือให้ระลึกถึงนิมิตคืออะไรก็ได้ที่เป็นที่ตั้งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึง่ง <Okay. S 1> อะมาก่อนที่จะมาบวชเนี่ยเคยไปเข้าโบสถ์คริสต์หลายครั้งร <Okay. S 1> ะลึกถึงพระเยซูเจ้าเนี่ย จีซัสไคล์เนี่ยแม้เราราเลืล่นถึงความเมตตาของเขาเขามีความเมตตามากจริงๆจิตเราออกจากวาอกุศลธรรมเลยหรือจะรเลืล่อนถึงพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณามากดุจม่วงมานนกก็ได้เหมือนกันคจิตก็จะออกจากความหดหู่ไม่ใช่แค่ ค, ความหดหู่อย่างเดียวแต่ยังมีความเร่าร้อนความหดหู่ความคับแคนแก้ได้หมดอ๋อแก้ทั้ง เร่าร้อนคับแค้นโอ้ค่ะเร่าร้อนคับแค้นหดหูสามารถแก้ด้วยการ uh, ระลึกถึงนิมิตเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณ <okay. S 2> ีนี้เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า ก, ก็ได้คุณสมบัติของธรรมะก็ได้หรือครูบาอาจารย์ที่เรานักสื่อเลื่อมใสหรือพระสงฆ์ก็ได้อืมค่ะ okay. ท่านอาจารย์คะทีนี้ถ้าบอกว่าแก้หดหูเนี่ยให้แก้ธรรมวิจยะคือพิจารณาธรรม ใช่ไหมคะวิริยะแล้วก็ปรารกความเพียรคืออันนี้เข้าสู่การปฏิบัติแล้วหรือไงคะถูกต้องถูกต้องแล้วปิติสัมโพชงจะเกิดใช่อันนี้คือเป็นการปฏิบัติทางจิตละค่ ะ, ะนี่เป็นการแก้หดหู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ให้มีสติรู้ว่าหดหู่โดยไม่ตามไปถูกต้องค น, คนที่คนที่จะเห็นว่าจิตเราหดหู่แล้วเนี่ยจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างที่ท่านมาร์กพูดในตอนแรกว่าเอ๊ะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่ นี่นคือแล้วก็มีลมหายใจเข้าลมหายใจเอกตลอดค่ะแล้วก็ค่อยเจริญ3ามสัมโพธิชงนั้น ค, คือธรรมวิจยะวิริยะและก็ปิติสัมโพธิชงใช่หรือระลึกนิมิตสิ่งที่ตั้งให้ความเลื่อมใสศรัทธาของเราอย่างใดอย่างหนึ่งจะแก้ได้ไม่เพียงแต่หดหูยังแก้ความเร่าร้อนได้ความคับแคนได้ใช่ทีนี้ท่านบอกว่าแต่ถ้าหดหูเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ายากแก่การ จเจริญปัตสัตทิสมาธิอุเบาขาปัสสัต ธ, ธิคืออะไรคะท่านคะปัตสัตทิคือความสงบระงับค่ะจ <c oughs> ิตสงบนิ่งไปเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในจิตนิ่งไปเลยเ <c oughs> งียบค่ะเงียบไปเลยในายามโหทูมันไม่เหมาะกับกา ร, ากการที่จะการทำอยู่เงียบๆสงบระงับนั้น น, น, <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบให้กับคุณสุจิราที่ถามไปที่เวิร์ดไวด์เวบด puredhamma.com/106 ซึ่งเป็นเลขของสถานีครอบครัวข่าวนะคะ106เน่ค่ะอาจารย์คะมีอีกคำถามจากคุณอรพินทีนี้ถามมาที่ดิฉันแต่ขออนุญาตถามตอนอ่านคำถามต่อนหน้าท่านอาจารย์ <Okay. S 1> เพราะว่าต้องการให้มีคนช่วยตอบด้วยคือถามในสิ่งที่ย้ำไม่ทราบบอกว่าเขาถามว่า การทำสมาธิรักษาโรคกระดูกพรุนและผมร่วงใช่หรือไม่ขอความกรุณาให้คุณสรัสนติช่วยค้นหาข้อมูล คุณอรพินวงสนานวุฒิถามมาดฉงนั้นก็ขอความกรุน้าให้ท่านผู้ฟังนะคะช่วยอนุเคราะห์ที่ันด้วยอีกทางหนึ่งเผื่อว่าจะได้ช่วยให้คุณอรพินได้คําตอบเร็วขึ้นนะคะถ้าคิดออกอย่างไรจะส่งไปที่เพียวธรรม a .com อย่างที่ว่านี้106หรือว่าจะโทรศัพท์แจ้งมาที่02 269 000สก็ได้นะคะจะเป็นพระครูพระคุณอย่างสูงทีนี้ถ้าอามาจะต่ข้อถามนี้ใช่ไหม เอาอารยมาจะพูดเลยว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่แก้โรคกระดูกคุณผมร่วงอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะยังแก้โรคลิ้นโรคกายโรคที่สีรษะโรคไข้พิษร้อนเจ็บเสียวเรื้อรังโรคฝีโรคกาศโรครองโรคเลือดโรคเบาหวานโรคเริมได้หมดทุกอย่างเป็นทำไมครอบจักรวาลขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนเจริญสมาธิแล้วจะรู้ได้ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจทั้งสคุณไม่ต้องมาเกิดแล้วนะ เพอไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมีกายนี้เนี่ยกายเนี้ยมีทุกข์มากมีโทษมากค่ะถ้ามันมีกายเนี่ยมันหลีกเลี่ยนได้ยากแต่การที่จะมีโทษเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตัดพพตัดชาติดับสิ่งที่จะต้องมาเกิดให้มีทุกข์อย่างนี้อีกเนี่ยโอ้โหมันแก้สารพัดโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าคุณอนรพินบอกว่าไอะเจริญสมาธิเนี่ย เพื่อแก้แค่สองสามโรคนะอาตมาขอบอกเลยว่ามันแก้ได้มากกว่าทําประโยชน์ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเจริญสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราต้องหวังเนี่ยคือการคือมหากุศลถ้าคุณจะทําสมาธิเพื่อหวังแก้สองสามโรคนะแหมเหมือนเอาจะพูดยังไงดีล่ะีใช้แต่รักษาแตนได้ไหมก็คุณอรพินอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าแค่นั้นแล้วก็อาจจะยังตัดใจไม่ได้เอ๊ะเกิดดีหรือเกิดไม่ดี เกิดดีหรือเกิดไม่ดีไม่แน่นะคะมีคนคิดอย่างนี้เยอะอาจารย์คะคืออะไรมาเปรียนเทียงอย่างนี้เหมือนถ้าคุณจะตั้งโรงงานผลิตน้ําตาลแต่ว่าคุณตั้งโรงงานผลิตน้ํำตาลเอาเอาอ้อยเ ข, เข้ามาเนี่ยเพื่อหวังกา ก, ากน้ําตาล่มันไม่ใช่คุณ <c oughs> ตั้งโรงกานน้ํามันเพื่อจะหวังไอยางมาต่อยมัน <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> นื้อไหมอันนี้ถ้าให้ ถ้าอาจารย์ไพล์บุญซึ่งศึกษาคําพระพุทธองค์นะคะว่าการทําสมาธิคือยาครอ บ, บจั ก, กรวาลคือหมายถึงว่าไม่ต้องมาเกิดอีกจะได้ไม่ต้องเป็นอะไรอีกเลยในชาติต่อๆไปถูกไหมคะก็จะได้คําตอบเช่นนี้ถ้าอาจารย์เข้าเวลาหมดมาหลายนาทีแล้วท่านเนี่ยก็คงจะต้องขออนุญาตที่จะกราบลานมัสการท่านอาจารย์พร้อมทั้งลาท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะติดตามรับฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ